วันนี้พวกเราจะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันที่พึ่งทางใจคืออะไรก็คือพระรตนต ร, รัยพุทธังสารนังกชามิธรรมังสารนังกชามิสังขังสารนังกชามิก็คือพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือพระพุทธเจา้าผู้ที่ส่งค้นพบที่พึ่งทางใจเป็นบุคคลแรกพอพระองค์ได้ส่งค้นพบที่พึ่งทางใจแล้วพระองค์ก็นำมาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมเป็นคำสอนที่จะบอกวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติ ก็จะได้พบกับที่พึ่งทางใจก็จะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นพระอริยะสองสาวกขึ้นมาพระอริยสงสาวกนี้ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันตามลำดับของที่พึ่งทางใจที่มีอยู่สี่ขั้นเช่นเดียวกัน ผู้ที่ได้พบกับที่พึ่งทางใจขั้นที่หนึ่งก็จะเป็นพระอริยสงสาวกขั้นที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันผู้ที่ได้ที่พึ่งทางใจขั้นที่สองก็จะเป็นพระอริยสงสาวุกขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีผู้ที่ได้พบกับที่พึ่งขั้นที่สาม ก็จะได้ที่พึ่งทางใจขั้นที่สามเรียกว่าพระอนาคามีผู้ที่ได้พบที่พึ่งขั้นที่สี่ก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต์ผู้ที่ได้ขั้นที่สี่คือพระอาหารหันต ก็จะได้พระนิพพานเป็นที่พึ่งขั้นสูงสุดทำไมจึงมีที่พึ่งถึงต้องสี่ขั้นด้วยกันก็เพราะว่าที่พึ่งขั้นแต่ละขั้นนี้ยังไม่เป็นที่พึ่งสมบูรณ์แบบนั่นเองเช่นขั้นที่หนึ่งขั้นของพระโสดาบันนี้ท่านก็จะได้หลุดพ้นจาก การไปเกิดในอบายแต่ท่านยังต้องเกิดในพบของมนุษย์องีงอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติท่านถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกของการเวียนว่ายตายเกิดได้พระอาริยสงฆ์ขั้นที่สองที่ได้พบกับที่พึ่ง ขั้นที่สองก็จะมีพบชาติเหลืออยู่เพียงพบเดียวคือจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงครั้งเดียวเป็นอย่างมากแล้วก็จะได้บรรลุขั้นสูงที่พึ่งขั้นสูงตามลำดับต่อไปคือขั้นที่สามผู้ที่ได้ขั้นที่สาม คือพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ยังต้องเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกและจนกว่าจะได้พบกับที่เพิ่งขั้นที่สี่คือได้บรรลุขั้นพระอาหารหันต์ พอได้ที่ขึขั้นที่สี่ได้เป็นพระอาหารหันตสาวกก็จะได้พระนิพพานเป็นที่ขึ้นขั้นสูงสุดเป็นที่ขึ่งที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปตายพบนี้ก็มีอยู่สามคือหนึ่งการมาพบรูปพบ อรูปภพการมาพบก็คือที่เกิดของผู้ที่ยังเสพกามอยู่ผู้ที่ยังมีกามตัณหาคือความอยากในกามคุณห้าประการด้วยกันคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะรูปภพก็คือที่เกิด ของผู้ที่ละกามตัญหาได้ผู้ที่ไม่มีความอยากจะเสพกามคุณทั้ง5้าก็จะได้รูปปชาณรูปปชาณก็จะได้เกิดในรูปประพบผู้ที่ได้อารูปปชาณก็จะได้เกิดในอรูปประพบ แต่พบทั้งสามนี้เป็นพบที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดในกามภพผู้ที่ได้บรรลุรูปภพกับอรูปภพด้วยกำลังของ ฌานเมื่อฌานหมดกำลังก็จะต้องกลับมาเกิดในกรรมภพบกรรมภพบนี้ก็มีสองส่วนด้วยกันส่วนที่ดีเรียกว่าสุขคติส่วนที่ไม่ดีเรียกว่าทุกขติหรืออบายสุขคติก็คือเป็นภพของเทวดาและภพของมนุษย์ ทุกขติก็คือพบของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกผู้ที่ไปทุกขติไปอบายเพราะไม่รักษาศีลห้าทำบาปทำกรรมเป็นอาจินตายไปก็จะตกไปอยู่ในอบายภูมิมีอยู่สี่ ทันคือเดลฉานเปรตอสุรกายนารกผู้ที่รักษาศีลห้าได้แล้วใจบุญสุนทานทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่ำเสมอตายไปก็จะไปเกิดในเทวภพภพของเทวดาทั้งหลายนี่คือ ที่เกิดของผู้ที่ยังไม่ได้หลุดพ้นยังไม่ได้บรรลุขั้นพระนิพพานยังต้องไปเกิดในภพเหล่านี้เมื่อมีการเกิดย่อมมีการแก่ย่อมมีการเจ็บย่อมมีการตายย่อมมีการเสื่อมมนุษย์ก็ต้องมีแก่เจ็บตาย เทวดาก็มีการเสื่อมพรห ม, มโลกก็มีการเสื่อมเป็นพรหมพอเสื่อมจากพรหมก็มาเป็นเทเเป็นเทเ พ, พอเสื่อมจากเทเก็มาเป็นมนุษย์ก็จะขึ้นขึ้นลงๆเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้ไปจนกว่าจะสามารถสร้างที่พึ่งทางใจขั้นสูงสุดได้ ก็คือขั้นพรนิพพานขั้นของพระอาหารหันตสาวกเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเป้าหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านี้ก็มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อได้ปฏิบัติไปสู่ขั้นสูงสุดไปสู่ที่พึ่ง ขั้นสูงสุดก็คือขั้นพระนิพปันขั้นพระอาหารหันต์ถ้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจเป้าหมายอันนี้ก็ถือว่ามาผิดที่ถ้ามาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความร่ํารวย เพื่อความเป็นใหญ่เป็นโตเพื่อมีหน้ามีตาเพื่อการสมัเสริญเยินยอหรือเพื่อความสุขในทางกามงุลทั้งห้าก็ไม่ใช่เป็นที่มาเพราะที่นี่ไม่ได้สอนให้เจริญในทางนี้ไม่ได้สอนให้เจริญในทางลาบยศ จารเสนไม่ได้สอนให้เจริญในเรื่องของการมคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะถ้าศึกษาและปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้ก็จะผิดหวงังแล้วก็จะมาโทษพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาปลอมเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับ สิ่งที่เขาปาถนะถ้าผู้ใดสอนให้พระพุท ธ, ทธศาสนิกชนเจริญด้วยลาบยศสนเสริญเจริญด้วยความสุขทางกามารมณ์ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้สอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพราะคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ พุ่งไปที่การสร้างที่พึ่งทางใจสี่ระดับด้วยกันก็นคือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีและขั้นอรหันต์เท่านั้นนี่คือเรื่องของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้สร้างที่พึ่งทางใจ พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกในโลกนี้ที่ได้ทรงค้นพบที่พึ่งทางใจก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาพบความจริงอันนี้ไม่มีใครรู้เลยแม้แต่คนเดียวมีคนมากที่อยากจะหาที่พึ่งทางใจกัน แต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันไม่รู้วิธีสร้างที่พึ่งทางใจกันเช่นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพระราชนิพนธ์ก็มีความปรารถนาที่อยากจะได้พบที่พึ่งทางใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็ทรงออกบวช แล้วก็ส่งไปศึกษากับผู้รู้ทั้งหลายแต่ก็ไม่มีผู้ระผู้รู้คนใดรูปใดองค์ใดที่รู้จักที่พึ่งทางใจที่สูงสุดรู้เพียงที่พึ่งทางใจชัว่วคราวเท่านั้นคือ การเข้าไปอยู่ในสมาธิคือความสงบแต่สมาธินี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริงเพราะเป็นที่พึ่งทางใจชั่วคราวเป็นที่พึ่งใรขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาสู่ใจได้อีก และไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาเพราะร่างกายยังต้องการอาหารต้องการอะไรต่างๆจะให้เข้าไปอยู่ในสมาธิตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้พระองค์จึงต้องค้นคว้าศึกษาหาที่พึ่งทางใจที่ทาวรน โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็คือเวลาออกจากสมาธิมาก็ยังมีความสงบมีความสุขมีความไม่มีความทุกข์มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนี่ต้องลำบากกว่าพวกเรามากเพราะอยากจะพบที่พึ่งทางใจ แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสอนรู้ก็เป็นเพียงที่เพิ่งชั่วคราวก็คือสมาธิ น, นั้นแต่ที่เพิ่งที่ถาวรสี่ขั้นด้วยกันก็คือขั้นโสดาบันขั้นสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นอรหันนี้ยังไม่มีใครรู้พระองค์จึงต้องค้นคว้าด้วยพระองค์เอง ศึกษาด้วยพระ อ, องค์เองจนในที่สุดก็ได้ส่งคนพบที่พึ่งทางใจทั้งสี่ระดับนี้พอพระ อ, องค์ส่งค้นพบแล้วนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจอยากจะพบกับที่พึ่งทางใจ ก็สามารถพบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นพอทําตามแล้วก็จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรทั้งสี่ขั้นนี้ตามล น, นดับเช่นตอนที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาขั้งแรกทรงบอก พระปัญจวคีวิธีสร้างที่พึ่งทางใจขั้นที่หนึ่งพอพระปัญจวคีทั้งห้าได้ยินได้ฟังแล้วก็มีหนึ่งในพระปัญจวคีนี้เข้าใจและสามารถสร้างที่พึ่งทางใจได้ทันทีด้วยการฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า นั่นก็คือพระอัญญาณโกนทัญญะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงวิธีสร้างที่ขึ้นทางใจก็คือวิธีปฏิบัติมาก8วิธีปฏิบัติกับอริยสัจสี่พอทรงสแสดงจบพระอัญญาณโกนทัญญาก็มีดวงตาเห็นธรรม เห็นที่พิ่งขั้นที่หนึ่งบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี่แหละคือความง่ายดายเวลาที่มีคนสอนมีคนบอกคนที่รู้ทางถ้าไม่มีคนรู้ทางไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะค้นพบกับที่พึ่งทางใจนี้ได้ด้วยตนเองเลย นอกจากเจ้าชายสิทธัตถะเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่มีพระบารมีอันแก่กล้าที่ได้ทรงสะสมบารมีมาเป็นเวลาอันยาวนานมีปัญญาที่ฉลาดแหลมคมเหนือมนุษย์ทั้งหลายมีบารมีต่างๆที่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลาย จึงทําให้พระองค์สามารถค้นพบที่พึ่งทางใจได้ด้วยพระองค์เองนี่ที่เราเรียกว่าพุทธท า, างสรนังกัจฉามิเนี่ยที่พึ่งทางใจของพวกเราที่พึ่งอันที่หนึ่งหรือบุคคลที่จะเป็นผู้บอกเราให้รู้จักที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธเจ้า ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจกันต่อให้เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าขนาดไหนก็ตามต่อให้เราออกบวชปฏิบัติอย่างเข้มข้นขนาดไหนก็ตามเราจะไม่สามารถที่จะพบที่พึ่งทางใจ อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้เลยจะได้อย่างมากก็คือที่พึ่งทางใจชั่เข่าวก็คือสมาธิความสงบแต่เป็นที่พึ่งเดี๋ยวเดียวเวลาเข้าไปในสมาธิก็จะได้พบกับที่พึ่งใจสงบปราศจากความทุกข์แต่อยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงก็จะต้องออกมา มาประเชิญกับความทุกข์ต่างๆที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและมาทางความคิดปรุงแต่งถ้าอยากจะหลบก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบรรดาพวกนักบมเพ็ญพรตทั้งหลายต้องใช้การเข้าสมาธิเป็นการเข้าหาที่พึ่งทางใจ บางคนมีความสามารถมากก็สามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้เป็นเวลาหลายวันบางคนก็เข้าได้ทีสมวันบ้างห้าวันบ้างเจวันบ้างส5้าวันบ้างแต่ไม่ว่าจะได้กี่วันไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องออกมาดูแลร่างกายเพราะร่างกายต้องดื่มต้องรับประทานอาหารต้องมีการเคลื่อนไหว นี่คือสภาพของยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนายุคที่ไม่มีพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่แสวงหาที่เพึ่งทางใจก็จะได้เพียงในระดับสมาธิเท่านั้นแต่พอมีพระพุทธศาสนามีพระธรรมคำสอนมีธรร ม, มังสวงรรค์กฉามีพระอริยสงสาวพ ผู้ที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งเสด็จดับขันธปานิพานไปแล้วก็มีพระอริยสงสาวกนี่แหละผู้ที่จะเป็นผู้สอนวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจแทนพระพุทธเจ้าต่อไปถ้ายังมีพระธรรมคําสอนยังมีพระอริยสงสาวกอยู่ ก็เหมือนกับยังมีพระพุทธเจ้าอยู่ยังสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติสร้างที่พึ่งทางใจกันได้อยู่อย่างสมัยนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่พระพุทธรูปพระพุทธรูปกับพระพุทธเจ้านี้เป็นคนละเรื่องกันอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเดียวกันพระพุทธรูปก็เหมือนรูปภาพที่เราถ่าย เช่นเราถ่ายภาพของบิดามาันดาเวลาบิดามาันดาตายไปแล้วเราก็ได้ดูแต่รูปภาพคิดถึงบิดามาันดาเวลาที่เราดูรูปภาพแต่รูปภาพนี้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนกับบิดามาันดาฉันใดพระพุทธรูปก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่อบรมสั่งสอน บอกวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราได้เป็นเพียงภาพที่จะคอยเตือนใจเราให้เราระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นวิธีสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางใจเวลาเรากราบพระเราจึงควรคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอะไรสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางใจหรือสอนให้เราสร้างที่พึ่งทางร่างกายถ้าเราสร้างที่พึ่งทางร่างกายเช่นหาเงินหาทองหาลาภหายศหาสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วมายแสดงว่าเราไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราสร้างที่พึ่งทางใจด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาจเจริญส ม, มถภาวนาวิปัสนาภาวนาอย่างนั้นแหละจึงจะเรียกว่าเรากําลังสร้างที่พึ่งทางใจกันนี่คือหน้าที่ของพระพุทธรูปเป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องปลุกสติ ให้พวกเราไม่ให้ลืมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้เราลืมสร้างที่พึ่งทางใจกันเพราะไม่มีอะไรที่จะสาคัญเท่ากับที่พึ่งทางใจเพราะไม่มีอะไรในโรกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งของใจได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะชนิดต่างๆเวลาเกิดความทุกข์ใจ ของพวกนี้ดับความทุกข์ใจไม่ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจลองไปเปิดตู้เซฟแล้วเอาเงินออกมาตั้งดูเพ่งดูมันดูว่ามันจะทำให้ความทุกข์ภายในใจหายไปหรือเปล่าเอาภาพของคนที่เรารักมาดูแล้วดูเสว่าจะทำให้เราหายทุกข์ได้หรือเปล่าของพวกนี้ดับความทุกข์ไม่ได้ แต่ถ้าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาปฏิบัติรับรองว่าดับความทุกข์ได้ความทุกข์เกิดจากอะไรพระทำคำสอนจะถามเลยความทุกข์ก็เกิดจากความอยากของเหานี้เองเช่นเราทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาเพราะเราอยากให้เขาซื่อสัตย์กับเราแต่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราจะทำอย่างไรเราก็ทุกข์ ทุกพวกเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราแล้วเราจะดับความทุกข์นี้ได้อย่างไรเราไปค่าเขาเราจะดับความทุกข์เขาได้เราได้หรือเปล่ายิ่งกลับทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเราไปบังคับเขาให้ขเขาซื่อสัตย์กับเราได้หรือเปล่าเราก็บังคับไปได้แต่เหตุที่ทำให้เราทุกนี้ไม่ใช่ที่ความไม่ซื่อสัตย์ของเขาแต่ความอยากให้เขาซื่อสัตย์กับเราต่างหาก ถ้าเราไม่ได้อยากให้เขาซื่อสัตย์กับเราเราก็จะไม่ทุกข์เราพร้อมที่จะให้เขาไปได้ทุกเวลาเวลาใดเขาอยากจะจากเราไปเวลาใดเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นเราพร้อมให้เขาไปอย่างนี้เราจะไม่ทุกข์นี่แหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาเราเกิดความทุกข์ใจถามเลยถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราทุกข์กับใคร ทุกโดยเหตุผลอันใดก็เกิดทุกเพราะความอยากของเรานั่นเองถ้าเราหยุดความอยากได้ปล่อยให้สิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปเขาจะเจริญก็เจริญเขาจะเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ความทุกข์ของเราก็จะไม่มีความทุกข์ของเราก็จะดับไปนี่แหละคือตัวอย่างของเครื่องมือวิธีการดับทุกข์หรือวิธีสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือที่หลบภัยนั่นเองหลบความทุกข์นั่นเองที่ดับทุกข์นั่นเองดังนั้นเวลาเรามีความทุกข์นี้ขอให้เราเข้าหาพระธรรมคาสอนแล้วเราจะได้พบกับวิธี ดับความทุกข์อย่างถูกต้องถ้าเราไม่เข้าหาพระธรรมคำสอนเราไปหาเงินทองหาอะไรต่างๆมาดับมันจะไม่ดับอย่างแท้จริงอาจจะดับได้ชั่วคราว mm. เช่นเวลาเราทุกข์ใจเราก็ไปเที่ยว mm. เราไปกินไปดืม่มไปดูหนังไปฟังเพลงไปช้อปปิ้งไปซื้อข้าวซื้อของ หรือไปหาแฟนใหม่หรือไปทําอะไรใหม่ก็สุดแท้แต่มันก็เป็นการกรบความทุกข์ไว้ชั่วค่าวเดี๋ยวความทุกข์มันก็จะกลับมาหาอีกพอเราเกิดความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ความทุกข์มันก็จะกลับมาทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะสร้างที่พึ่ทพงทางใจดับความทุกข์ทางใจอย่างถาวร เราต้องดับด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีการสร้างที่พึ่งทางใจศึกษาวิธีการดับความทุกข์ใจเมื่อศึกษาแล้วเราก็จะได้นําเอาไปดับความทุกข์ใจได้เหมือนกับเวลาที่เราศึกษาวิธีใช้เครื่องดับเพลิงเราไม่อยากจะให้บ้านเราไฟไหม้ เราก็ต้องไปซื้อที่ดับเพลิงมาแล้วก่อนที่เราจะใช้เครื่องดับเพลิงนี้เราก็ต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องนี้ก่อนไม่ใช่พอถึงเวลาไฟไหม้ก็จะมาเปิดดูว่าสร้าง ว, วิธีใช้เครื่องนี้ใช้อย่างไรกว่าจะอ่านจบกว่าจะเข้าใจไฟก็ไหม้บ้านหมดแล้วเราต้องศึกษาวิธีใช้เครื่องดับเพลิงไว้ก่อนร่วมหน้า ไม่ใช่รอให้เกิดไฟไหม้บ้านแล้วค่อยมาศึกษากันชั้นใดเราอย่าไปรอให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วค่อยมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่ะพิจาามันจะไม่ทันการเราต้องศึกษาตั้งแต่ที่เรายังไม่มีความทุกข์เช่นตอนนี้ตอนนี้เรายังไม่มีความทุกข์ใจเรารีบมาศึกษา วิธีดับความทุกข์ใจที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะเรามีเหตุการณ์ที่จะต้องทำให้เราต้องเกิดความทุกข์ใจอย่างแน่นอนเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกของความเจริญและความเสือ่อมเวลาที่เราเจริญด้วยลาบยศสารเสนนี้ไม่เป็นปัญหา เวลาได้เงินเพิ่มขึ้นปีละร้อยล้านพันล้านนี้ไม่เป็นปัญหาแต่เวลาที่ขาดทุนปีละร้อยล้านพันล้านนี่มันจะเป็นปัญหาขึ้นมามันจะทําให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจแล้วเราก็จะไปแก้โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องแก้อย่างไรก็ไม่สามารถที่จะดับความวุ่นวายใจดับความทุกข์ใจได้ถ้าไม่แก้ด้วยวิธีของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ซ้อมวิธีดับความทุกข์ไม่ได้ศึกษาวิธีสร้างที่พึ่งทางใจไว้ก่อนพอเกิดความที่ความทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์เ่วานี้ก็มีคนมาสึกขอให้ช่วยล้วก็บอกว่าขอองนี้ช่วยไม่ได้ความทุกข์ใจของคุณนี่คุณต้องเป็นผู้ดับเอง เราบอกวิธีได้เท่านั้นเองเช่นไปทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ให้โปรงเสียให้ยอมรับความจริงว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเขาทุกข์เพราะว่าสุขภาพร่างกายของเขาถดถอยย่ำแย่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายมีแต่รอความตายเท่านั้น เวลานั้นใจของเขานี่วุ่นวายมากทุกมากพออยากจะให้หายแต่ทํายังไงมันก็ไม่หายยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์มากเข้าไปใหญ่แต่ถ้าหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องมีวันแก่วันเจ็บและวันตาย พอรับความจริงนี้ได้แล้วใจก็จะหยุดความอยากไม่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะความเดือดร้อนอยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายนี้มีอยู่ด้วยกันทุกคน แต่คนบางคนไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าท่านรู้จักวิธีหยุดความอยากท่านรู้จักวิธีไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะท่านเห็นความจริงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้ เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหมือนฝนตกแดดออกเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ฝนจะฝนตกจะไปห้ามไม่ให้ตกก็ไม่ได้ฝนหยุดจะให้จะห้ามไม่ให้หยุดก็ไม่ได้เวลาอยากจะให้ไม่ตกแล้วมันตกก็กทุกข์ใจเช่นเดียวกับร่างกายเราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะแก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเราห้ามเขาไม่ได้แต่ผู้ที่ฉลาดจะรู้ว่าสิ่งใดที่เราห้ามไม่ได้สิ่งนั้นก็ถือว่าไม่ใช่เป็นของเราเมื่อไม่เป็นของเราเราจะไปหวงไว้ทำไมเมื่อถึงเวลาเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเท่านั้นเองพอปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์นี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาสร้าง มาสอนใจให้ปล่อยให้ได้ให้ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของพ่อของแม่แล้วเราก็เอามาใช้ไปวันวันหนึ่งท่านั้นเองจนกว่ามันจะหมดสภาพไปไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่ไปอย่างถาวร ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าร่างกายของพระอาหาันตาสาวกทั้งหลายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแต่ใจของพระพุทธเจ้ากับของพระอาหาันตาสาวกนี้ท่านมีปัญญาท่านมีความรู้ที่แท้จริงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่าน รู้ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าถ้าไปยึดไปติดไปอยากไม่ให้ร่างกายนี้แก่เจ็บตายก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองพอรู้อย่างนี้ท่านก็เลยหยุดความอยากเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์เหมือนกับถ้าเรารู้ว่าที่เราปวดศีรษะ น, นี้เป็นเพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบศีรษะเราถ้าเราไม่อยากจะ ให้ปวดศีรษะเราก็ต้องหยุดเอาค้อนมาทุบศีรษะเราเท่านั้นเองเราเป็นคนสร้างความทุกข์ให้กับเราเองด้วยการสร้างความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นมันก็ไม่ทุกข์แล้วนี่คือการดับความทุกข์ดับด้วยธรรมะ ก็คือดับด้วยความจริงเราต้องศึกษาความจริงว่าอะไรทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราทำยังไงถึงจะดับความทุกข์ได้ความทุกข์เกิดจากความไม่รู้ความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราพออะไรเป็นของเราเราก็หูวงเราก็อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดแต่นี่เป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงก็คือร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราก็จะปล่อย ให้ร่างกายแก่เจ็บตายไปตามเรื่องของเขาเพราะว่าปล่อยไม่ปล่อยขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่อยากมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทุกข์ใจเหมือนกับถ้าเราไม่เอาค้อนมาทุบศีรษะเราก็จะไม่ปวดศีรษะ ที่เราปวดศีรษะเพราะเราค้อนมาทุบแต่เราตาบอดมองไม่เห็นว่าเรากำลังเอาอค้อนมาทุบศีรษะเราเองฉันใดความทุกข์ใจของเราก็เหมือนกันเรามองไม่เห็นว่าเราเป็นคนสร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเราเองด้วยการสร้างความอยากต่างๆขึ้นมาสังเกตดูพออยากอะไรแล้วสบายใจั้ยพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจวุ่นวายแล้วสิ กวนกวายแล้วช่วงเดือนนี้เดือนกันยาช่วช่วงโยกย้ายข้าราชการต่างๆนี่คนที่อยากไปนู่นไ ป, น, ไปนี่อยากได้คันนู้นคันนี้ก็วุ่นนะสิอยู่เฉยๆไม่ได้นะต้องวิ่งกันวิ่งเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้พอได้ก็ความอยากก็สงบตัวไปชั่วคราวถ้าไม่ได้ก็เสียใจผิดหวัง แล้วอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อไปก็ได้นี่แหละคือโทษของความอยากที่เราอยู่เฉยๆกันไม่เป็นอยู่เฉยๆไม่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่แล้วต้องอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้กันทั้งๆที่ไม่ดูความจริงว่าได้มาแล้วมันทำให้เราวิเศษขึ้นมาหรือเปล่า ได้มาแล้วมันทำให้ความทุกข์น้อยลงไปหรือทำให้ความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเช่นอยู่คนเดียวกับอยู่สองคนอันไหนจะทุกข์มากกว่ากันอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องทุกข์กับคู่คู่คร อ, องของเราเพออยู่สองคนก็ต้องมาทุกข์กับคู่คร อ, องของเราต้องห่วงต้องห่วงแล้วเดี๋ยวนอกจากมีสองแล้วเดี๋ยวมีลูกตามมาอีกก็เพิ่มกองทุกข์ขึ้นมาอีก มีลูกก็ต้องห่วงลูกห่วงลูกอีกนมีภาระต้องเลี้ยงดูอีกนี่คือความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะคิดว่าเป็นความสุขกันเวลาแต่งงานกันี่จัดงานเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตคิดว่าเป็นได้ความสุขกันเวลาหย่ากันไม่เห็นจัดงานเลี้ยงฉลองกันมั่งจะได้ประกาศให้รู้ว่ามันทุกข์เว้ยไม่ใช่สุขหรอก จะได้ไม่ต้องมาแต่งงานกั น, นกไม่รู้กันไม่มองความจริงกันไม่ศึกษาความจริงกันความจริงมันก็ไม่ได้ถูกปกปิดอยู่ที่ไหนมันกระจ่างอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่มองมันเท่านั้นเองเรามองกลับตาละปัดอย่างพระท่านพูดเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นการมีคู่ครองมีครอบครัวนี้มีความสุขกว่า การอยู่คนเดียวอันนี้แหละเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเพราะพุทธเจ้าก็มีครอบครัวแล้วก็ต้องหนีไปอยู่คนเดียวในที่สุดเพราะอยู่คนเดียวมันสบายกว่าอยู่กับหลายคนอยู่กันหลายคนมันก็มีมากเรื่องมากราวคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นถ้าไม่ได้ดังใจก็ก่อกวนออกฤิ์ออกเด ก, กัน แทนที่จะมีความสุขอยู่ร่วมกันก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องปวดหัวให้มาคอยต้องมาแก้กันอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากของคนเหล่านี้เองไม่ได้เกิดจากอะไรพอเราไม่มีความรู้ความรู้สึกที่เรียกว่าพอเลยได้อะไรมาเท่าไหร่มีอะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยมีคำว่าพออยากจะได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือ การสร้างปัญหาให้กับเราสร้างความทุกข์ให้กับเราแต่ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างที่ขึ้งทางใจรู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจปัญหาต่างๆเหล่านี้จะไม่มีพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี่ท่านไม่มีปัญหาอะไรกับใครทั้งนั้นท่านอยู่ของท่านได้อย่างสบายถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีอะไร แต่ท่านมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีอะไรกันมากมายกว่พระพุทธเจ้าหลายร้อยหลายพันเท่าด้วยกัน <Yeah. S 1> เพราะสิ่งที่เรามีนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันให้ความทุกข์กับเราเพราะเราต้องขวงต้องห่วง <Yeah. S 1> เวลาเสียไปก็เสียดายร้องหม่มร้องไห้ <Yeah. S 1> เพราะเรามองไม่เห็นเราถูกความหลงปิด ใจเราทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเราจึงต้องเข้าหาคนที่ตาหูตาสว่างก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายนี่แหละเป็นผู้ที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั้งหลายนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นอยู่คนเดียวแล้วจะไม่ปีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วจะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยมีมากก็จะทุกข์มากมีน้อยก็จะทุกข์น้อยไม่มีเลยก็จะไม่ทุกข์เลยดัยงนั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนา จึงตรงไปที่ให้พวกเราอยู่แบบไม่มีอะไรเลยให้พวกเราสละไปให้หมดพระเจ้าบอกให้สละทรัพย์ให้สละอวัยวะให้สละชีวิตถ้าเราต้องการที่พึ่งทางใจถ้าเราสละได้หมดแล้วเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายจะไม่หวาดกลัวกับความสูญเสียของทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง จะไม่หวาดกลัวกับการสูญเสียอวัยวะหูตาจมูกไปจะไม่วุ่นวากับการเสียชีวิตไปเพราะว่าใจมีที่พึ่งทางใจใจไม่ต้องพึ่งทรัพย์ไม่ต้องพึ่งอวัยวะไม่ต้องพึ่งชีวิตไม่ต้องพึ่งร่างกายใจไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่ได้เพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกัน แต่ใจไม่รู้ใจหลงมาเอาร่างกายผูกไว้กับใจแล้วก็คิดว่าร่างกายเป็นอย่างไรใจก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเราเอาสามีเอาภรรยามาผูกติดกันแล้วสามีเป็นยังไงภรรยาก็ต้องเป็นอย่างนั้นความจริงมันไม่ได้เป็นสามีไม่สบายภรรยาก็ไม่ต้องไม่สบายด้วยต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเป็นแั้วใดร่างกายกับใจก็เป็นคนสองคนไม่ใช่คนคนเดียวกันใจนี้แหละเป็นพี่ส่วนร่างกายนี้เป็นน้องร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจก็จะอยู่ไม่ได้ใจนี่แหละเป็นผู้ที่เลี้ยงน้องเลี้ยงร่างกายใจเป็นผู้หาอาหารมาให้ร่างกายหาน้ํามาให้ร่างกายใจเป็นผู้ หายใจให้กับร่างกายเวลาไม่มีใจนี้ร่างกายกลายเป็นอะไรไปกลายเป็นซากศกไปเวลาที่เราไปเจอคนตายเนี่ยไปพูดไปกระซิบในหเูเขาไม่ได้ยินแล้วเพราะผู้ที่ได้ยินไม่ได้อยู่แล้วผู้ที่ได้ยินเสียงทางร่างกายนี้คือใจผู้ที่เห็นด้วยตานี้คือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเหมือน S 1> <S 1> <S 2> <S 2> เหมือนกล้องเหมือนเครื่องอัดเสียงกล้องมันนี้มันมีมัน ม, ม, นมีมันมีที่รับภาพก็ไปแต่ตัวกล้องเองมันไม่รู้ว่ามันรับภาพอะไรถ่ายภาพอะไรไมโครโฟนที่รับเสียงมันก็ไม่รู้ว่ามันรับเสียงอะไรผู้ที่เป็นเจ้าของกล้องเจ้าของเครื่องอัดเสียงต่างหากเป็นผู้รู้ว่ากําลังถ่ายภาพอะไรอยู่กําลังอัดเสียงอะไรอยู่ผู้ที่ รู้นี้ก็คือใจร่างกายนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปเป็นเหมือนไมโครโฟนที่ไปอัดเสียงมาไปถ่ายภาพมาแล้วส่งไปให้ใจอีกทีนึงให้ใจรับรู้แล้วใจก็ไปทัางครยหลงไหลกับรูปกับเสียงที่ได้รับรู้ได้ยินเสียงที่ชอบก็ดีอกดีใจได้ยินเสียงที่ไม่ชอบก็เสียอกเสียใจ แค่เวลาคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ ก, ก็ยิ้มแย้มเวลาใครด่าก็โกรธเสียใจมันก็แค่เป็นเสียงเท่านั้นเองบ้าไปกับเสียงเพราะว่าคนที่ไม่มีปัญญาคนที่แยกแยกอะไรไม่เป็นก็จะบ้าไปกับเสียงบ้าไปกับรูปภาพเห็นรูปภาพที่ถูกใจก็ดีอกดีใจเห็นภาพที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เสียอกเสียใจ นี่คือเรื่องของร่างกายกับใจร่างกายนี้จึงไม่เป็นตัวที่มีสาระสาคัญอะไรร่างกายนี้ตายไปใจก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าร่างกายไม่มีใจร่างกายอยู่ไม่ได้ถ้าร่างกายมีใจที่ไม่ดีร่างกายก็ไม่ดีไปด้วยเวลาใจไม่ดีใจเครียดก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ต, ต่างๆขึ้นมาในร่างกายได้ แพทย์ทุกวันนี้ยังรับยังสอนให้คนไข้พยายามลดความเครียดลงให้ทำใจให้สงบทาใจให้สบายให้โปรงเ <orth revelation S 1> พราะว่าโรคบางโรกนี้มันไม่ได้เป็นที่ร่างกายมันเป็นที่ใ จ, ใจเวลาใจเครียดก็ทาให้กินไม่ได้นอนไม่หลับพอกินไม่ได้นอนไม่หลับก็กระทบกระเทือนกับการดำรงชีพของร่างกาย ทำใร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมาแต่พอรักษาความเครียดได้ทําใจให้สงบได้ร่างกายก็จะกลับมาอยู่อย่างปกติดังนั้นเราอย่าไปหลงกับเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราเนี่ยใจนี่แหละเป็นตัวเราของเราเราอยู่กับใจและใจของเรานี้มันวิเศษกว่าร่างกาย ก็คือว่ามันไม่มีวันตายนั้นเราไม่เราเรามีของดีอยู่แท้ๆเรากลับไม่รู้เรากลับไปหลงกับของไม่ดีกลับหลงไปยึดกับของที่มันจะต้องตายพอเวลามันจะตายก็เลยเครียดขึ้นมาถ้าเรายึดอยู่กับของที่ไม่ตายเราก็จะไม่เครียดเรารู้ว่าใจนี้ของเรานี้ไม่มีวันตาย แต่เราต้องรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ให้ได้เพราะความทุกข์นี่แหละเป็นที่ตัวอันตรายยิ่งกว่าความตายความตายนี้ไม่เป็นอันตรายต่อใจแต่ความเครียดนี้ความทุกข์นี่เป็นอันตรายต่อใจและความเครียดและความทุกข์นี้ก็เกิดเพราะเมื่อเราไม่มีที่พึ่งทางใจถ้าเรามีที่พึ่งทางใจแล้วเราจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีความเครียด ดังนั้นเราต้องมาสร้างที่พึ่งทางใจกันเราต้องมาทำทานกันเราต้องมารักษาสี่งกันเราต้องมาบําเพ็ญจิตตะภาวนากันจเจริญสมถภ า, าวนาทำใจให้สงบพอใจสงบมีอุเบกขาแล้วเราก็จเจริญวิปัสนาภาวนาได้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้ พอเราเห็นเราจำได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่ยอมปล่อยเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะปล่อยอย่างเดียวเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยทรัพย์ปล่อยอวัยวะปล่อยชีวิตรักษาสิ่งเดียวก็คือรักษาใจ ไม่ให้ทุกขกับสิ่งต่างๆนั่นเองนี่คือวิธีสร้างความสุขทางใจสร้างที่พึ่งทางใจต้องสร้างด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเพราะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงเป็นผู้รู้วิธีดับความทุกข์ทางใจได้อย่างแท้จริงและดับได้อย่างถาวรจึงขอให้พวกท่านทั้งหลาย จงพยายามผักดันตัวเองให้หมั่นสร้างที่พึ่งทางใจกันให้มากๆเราทามากเท่าไหร่เราก็จะได้มากเท่านั้นทาน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากไม่ได้อยู่ที่ไข่อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่การทำทานอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การภาวนานี่ง ดังนั้นขอให้พวกเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนเชื่อพระอริยสงสาวกแล้วเราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้ที่พึ่งทางใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถาวรต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปะเลปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิตูท e ินนางเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตางตุมหังคิปเมวะสมิจ um ัตสัพเพปุเรนตุสังกปาจัมโทปนาราโสยะถามณีโชติ ราสซยาถาสภิตโยวิวชัชนตุสัพพรโรควินัสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายยโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุธาปะจายโนจตาโรโธรรมวะทานติอายุวโนสุขัง พาาต่อไปนี้ก็เป็นตอนถามตอบปัญหาธรรมถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้แต่ขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะว่าจะได้ยินเสียงคำถาม งั้นคนฟังแล้วจะไม่รู้ว่าถามอะไรได้ยินแต่คําตอบงั้กายถามก็ถือว่าเป็นการธรรทานเป็นการให้ธรรมะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอย่างนั้นไม่ต้องอายถ้าอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรขอให้เราคิดว่าเราเป็นนักเรียนมาเรียนอยู่ในห้องเดียวกันชั้นเดียวกันบางทีครูสอนอะไรแล้วฟังไม่เข้าใจ ก็ต้องถามถึงจะเข้าใจอย่าปล่อยให้ความสงสัยข้างคาอยู่ในใจเพราะมันจะเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ถ้าเราไม่แน่ใจไม่มั่นใจเราก็ต้องถามถ้ายังไม่มีใครถามก็มีญาติพี่น้องที่ถามมาทางอินเทอร์เนต็ตก็จะให้ท่านอัดมินมาถามแทนให้ ผู้าถามปัญหามาแล้วไม่รู้ ไ, ไม่รู้เกิดมาก็ปัญหาหรือเปล่าเาน่มีปัญหาจึงเกิดครับต่อไปเป็นคำถามที่มีผู้ฝากถามจากที่นี่นะครับข้อที่หนึ่งคนเสียชีวิตหากบุญมากไปสวรรค์บาปมากไปนรกบุญบาปเท่ากันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง คำกล่าวนี้เป็นจริงหรือไม่มีข้อพิสูจน์ใหม่ครับมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมถ้าพูดตามหลักของเหตุของผลถ้าบุญเป็นตัวดึงไปสวรรค์แล้วบาปเป็นตัวดึงไปนรกทีนี้ถ้าบุญกับบาปมันมากเท่ากันมันจะไปที่ไหนไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ ไปนลกก็ไปไม่ได้มันก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ต่อผู้ตามหลักเหตุผลของนี้มันจะพิสูจน์ก็ต้องปฏิบัติเองถึงจะพิสูจน์ได้อย่างแน่แน่ชัดนะแต่ถ้าฟังก็ต้องฟังด้วยหลักของตักกะถ้าบุญมากกว่าบาปบุญมันก็จะมีกำลังมากกว่ามันก็จะเดินไปทางบุญทางบุญก็ทางสวรรค์ ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะดึงไปทางบาปทางบาปก็คือทางอบายทางนรกนี่เหมือนกับถ้าเรามีม้าสามตัวดึงไปทางซ้ายเรามีม้าสองสองตัวดึงไปทางขวามันจะไปทางไหนใช่ไหมถ้าม้าสามตัวมันมีกำลังมากกว่าม้าสองตัวมันก็ต้องดึงไปทางซ้ายเหมือนกับเวลาที่เราเล่นชักกระเยอะกัน ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงไปทางฝ่ายนั้นดังนั้นหลักของกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนี้บุญจะพาไปสู่สุขติบาปจะไปพาไปสู่อบายแ ต, แต่ถ้าบุญกับบาปนี้มีกาลังเท่ากันมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมตอนนี้เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหม่ ร่างกายนี้ตายไปเราก็เปลี่ยนร่างกายใหม่แค่ น, นั้นเองข้อที่สองมีผู้ที่มาเกิดใหม่โดยยังจำอดีตชาติได้มีผู้คนอย่างนั้นอยู่ใกล้ตัวหรือไม่ไม่เคยพบเจอตรงๆจึงไม่เชื่อการกลับชาติมาเกิดใหม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าความจริงมันย่อมเป็นความจริงไม่ใช่เพราะว่าพอคนไม่เชื่อคนก็จะไปลบล้างความจริงได้ เหมือนกับคุณโยนก้อนหินขึ้นไปข้างบนฟ้าดูสิมันจะตกลงมาปะถึงแม้คุณจะไม่เชื่อมันก็ตกลงมาอยู่ดีดังนั้นการเชื่อไม่เชื่อนี้มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความจริงเพียงแต่ว่าการเชื่อมันจะทำให้เราคิดไปในทางความจริงได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะคิดไปในทางที่ตรงข้ามกับความจริงได้เช่นสมัยโบราณคนเขากลัวเขาไม่เชื่อว่าโลกนี้ กลมเขาคิดว่าโลกนี้แบนเวลาก็มองไปที่ทะเลนี้เขาจะไม่กล้าออกเรือไปไกลเพราะเขากลัวเดี๋ยวมันจะตกขอบฟ้าตกขอบทะเลไปเหมือนกับโต๊ะเองะถ้าเราเลื่อนของไปสุดขอบโต๊ะเดี๋ยวมันก็ต้องหล่นลงไปฉะนั้นคนโบราณเขาเชื่อว่าโลกนี้แบนเขาก็เลยไม่กล้าออกเรือไปไกลกลัวว่าเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวจะตกขอบ ทะเลไปมันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถที่จะค้นพบอะไรใหม่ๆได้แต่พอมีคนหนึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะแบนเพราะมองไปเขาส่งกล้องมองขึ้นไปทางอาวกาศทางดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันกลมไปหมดมีโลกใบนี้ใบแบนใบเดียวได้อย่างไรเขาก็เลยเชื่อว่ามันจะต้องกลมเหมือนกันแล้วเขาก็มองดูเวลาเรือที่วิ่งเข้ามา ในฝั่งเวลาเรือเข้ามาทําไมไม่ได้เห็นตัวเรือตัวเสาพร้อมๆกันทําไมไปเห็นเสาเห็นธงที่ติดอยู่บนยอดเสาก่อนแล้วก็ค่อยเห็นตัวเรือตามมาต่อไปมันก็เหมือนกับคนขี่ม้าข้ามเขามาเวลาคนขี่ม้าข้ามเขามานี่ข้ามเนินมานี่เราจะเห็นอะไรก่อนเห็นตัวม้าก่อนแล้วเห็นคนขี่ก่อนเราต้องเห็นส่วนที่สูงก่อน เราถึงจะเห็นส่วนที่ต่ำเพราะว่าทางที่เขาขี่มามันโคง้งมันไม่มันไม่แบนถ้ามันโค้งก็แสดงว่ามันต้องกลมนี่คือหลักการคิดของคนสมัยก่อนเมื่อเขาคิดอย่างนี้เขาเลยกล้าที่จะไปพิสูจน์เขาเลยกล้าเอาเรือวิ่งออกไปโดยที่กะว่าถ้าวิ่งไปถ้ามันกลมเดี๋ยวมันต้องกลับมาที่เดิมนี่คือการพิสูจน์ว่าโลกกลมหรือเปล่าในของคนในสมัยโบราณ เขานั่งเรือไปทิศตะวันตกจากยุโรปเขานั่งเรือไปทิศตะวันตกเขาก็วิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะกลับมาถึงที่เดิมเขาก็พิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมสามารถที่จะเดินทางไปทิศเดียวแล้วก็ย้อนกลับมาถึงจุดหมายปลายทางได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับมาตรงไปอย่างเดียววิ่งนั่งเรือไปทางทิศตะวันตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็กลับมาถึงจุดหมายที่เรา จุดที่เราเริ่มต้นไปนี่ก็คือเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของกฎแห่งกรรมก็แบบเดียวกันจะเชื่อไม่เชื่อกฎแห่งกรรมมันก็เป็นของมันอย่างนั้นข้อที่สามพระพิสูจในบ้านเมืองหนาวเช่นยุโรปหากนุ่งห่มกันหนาวยังใช้เฉพาะไตจีวร อ, อยู่หรือเปล่าครับอันนี้เราก็ไม่เคยไปเราไม่รู้เหมือนกันใน ในสมัยพระพุทธการในยุคแรกๆนี้พ้าภิกษุจะมีผ้าจีวรผืนเดียวมีผ้าหม่มผืนเดียวแล้วต่อมามีผู้มาบวชกันเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีพลังจิตหรือไม่มีสมาธิก็จะทนกับความหนาวไม่ได้กับการห่มผ้าจีวรผืนเดียวก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาพระพุทธเจ้าก็เลยท่งพิจารณาด้วยการ ตอนต้นด้วยการนั่งสมาธิในตอนกลางคืนในช่วงยามแรกคือหกโมงถึงสี่ทุ่มทรงห่มผ้าผืนเดียวพอถึงสี่ทุ่มรู้สึกว่าอากาศเริ่มเย็นมากคือผ้าห่มผืนเดียวนี้ป้องกันความเย็นไม่ได้พระองค์ก็เลยเอาผ้าห่มอีกผ้าดีวรนอีกผืนหนึ่งมาห่มซ้อนก็ห่มได้ถึงยามสองคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสอง พอถึงปีสองไปก็รู้สึกว่าความเย็นก็ยังเข้ามากระทบกับร่างกายอยู่ก็เลยส่งเอาผ้าจีวรมาห่ม อ, อีกผืนหนึ่งเป็นสามผืนก็เลยสามารถที่จะป้องกันความหนาวเย็นได้จนถึงสว่างพระองค์ก็เลยทรงอนุญาตให้มีผ้าห่มขึ้นมาอีกสองผืนแต่ให้เย็บเป็นผืนเดียวคือเป็นผ้าสองชั้นไปเลยเรียกว่าผ้าสังคาติ ผ้าที่ยากิโยมเห็นผ้าสะพายบ่านี่หลยคือผ้าห่มกันหนาวผ้าที่ผ้านุ่งห่มกับร่างกานี้เรียกว่าจีวรส่วนผ้าห่มกันหนาวนี่พระท่านไม่ได้ใช้ท่านก็เลยสะพายบ่าไว้เพราะว่าสมัยก่อนนี่ไปไหนมาไหนต้องรักษาผ้าไว้ให้ดีเพราะว่าขโมยผ้าหายากขโมยจะมาขโมยผ้าไปเวลาไปไหนต้องเอาผ้าทั้งสามผืนติดตัวไป ถ้าไม่ได้ห่มก็ให้ผ้าด์บ่าไว้ <c oughs> ก็เลยจะเห็นพระเวลาที่ท่านทําพิธีกรรมต่างๆท่านจะมีผ้าผ้าด์บ่าไม่ได้ไม่มีความวิเศษวิโสอะไรหรอกเป็นการรักษาผ้าให้มีผ้าอยู่ใกล้ชิดกับตัวเองไม่ให้ปล่อยไปไว้ที่ไหนเพราะสมัยก่อนผ้ามันหายากคนจะมาขโมยผ้ากันแต่ถ้าไปอยู่ในต่างประเทศก็คง ถ้าถ้าถามเรานะเราก็คงบอกต้องทําตามที่พุทธเจ้าทําก็ลองลองลองห่มผ้าสามผืนดูถ้ายังไม่พอต้องห่มเพิ่มก็หามาอีกผืนห่มไปเดินกว่ามันจะพอนะเพราะว่าอากาศในแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันอย่างในเมืองไทยเรานี่หน้าร้อนห่มผืนเดียวก็แทบจะไม่ไหวแล้วเหงื่อแตกพักเหงื่อแต่หน้าหนาวก็ห่มสองผืนก็สบาย ดังนั้นอันนี้ต้องใช้หลักของเหตุผลก็แล้วกันแต่ทีนี้มันสมัยก่อนมันไม่มีไม่มีการเผยแผ่ที่ทางตะวันตกกันก็เลยไม่เคยมีเจอความหนาวขนาดนั้นก็เลยยังไม่มีการบัญญัติขึ้นมาพอไม่มีพระพุทธเจ้าบัญญัติก็เลยเกิดความลาบากเพราะว่าไม่มีใครกล้าจะบัญญัติ อะไรขึ้นมาใหม่ก็เลยต้องทนกันไปจากท่านต่อไปนะครับถามว่าเมื่อตายลงจิตจะดับไปพร้อมกับร่างกายหรือไม่ก็บอกแล้วไงว่าจิตกับร่างกายมันคนละคนกันคนน้องตายคนพี่ไม่ได้ตายเพราะจิตนี้ไม่มีวันตายธรรมชาติของจิตนี้ไม่มีวันสลาย มีแต่ร่างกายเท่านั้นที่จะตายที่จะสลายพอร่างกายตายไปจิตที่ยังต้องมีน้องใหม่ต้องมีน้องก็ต้องไปหาน้องใหม่เหมือนคนที่สามีตายไปหรือภรรยาตายไปแต่ยังต้องมีสามีภรรยาใหม่ก็ก็ไปหาสามีใหม่ภรรยาใหม่ต่อไปคำถามข้อต่อไปจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติวิชาโตนะครับและทางกลุ่มธรรมะบนเขานะครับ จากคุณนีนะครับการนั่งสมาธิเมื่อจิตนิ่งรู้สึกโล่งว่างแต่ภาพยังมืดสนิทแต่ตัวเองก็ดูอยู่เฉยๆดูไปเรื่อยๆไม่คิดอะไรกับอาการที่เคยได้ยินว่าศิลาทัพญ้าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไรต่อคือการนั่งสมาธินี้ถ้ามันสงบจริงมันจะไม่มีภาพให้เห็นนะมันจะเป็นความว่าง แล้วก็เป็นความนิ่งคือไม่คิดปรุงแต่งแล้วก็จะเป็นอุเบกขาก็คือไม่มีไม่รับรู้อารมณ์ต่างๆคือไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆถ้ายังมีอะไรให้รับรู้อยู่เช่นบางทีมันนิ่งมันสงบมันว่างแต่ยังรับรู้เรื่องของร่างกายอยูอ่เช่นร่างกายเจ็บหรือได้ยินเสียงใจจะไม่มีความรู้สึกอะไรกับเสียงหรือ หรือความรู้สึกเจ็บของร่างกายจะรู้สึกเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นอุเบกขาเป็นสมาธิแต่ถ้านั่งแล้วยังเห็นภาพนั้นภาพนี้อยู่นี้ยังไม่เรียกว่าเป็นสมาธิไม่ควรที่จะไปสนใจกับภาพที่ที่รู้ที่เห็นเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรกับใจสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิก็คืออุเบกขาความว่าความเย็นความสบายของใจ อันนี้เรียกว่าเป็นศีลาทับความทุกข์เพราะว่าขณะที่จิตสงบจิตอยู่กับความว่างอยู่กับโอเบคานี่ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นมาแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดมาเริ่มรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาได้นี่คือเรียกว่าการยกเอาห็นออกแล้วหินไม่ได้ทับยอดแล้วพอยกห็นออกเดี๋ยวยอด ก, ก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ ความทุกข์จึงไม่ได้ดับอย่างถาวรด้วยอํานาจของสมาธิดับได้ชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาที่ออกจากสมาธิมาความทุกข์ก็จะโผล่กลับคืนขึ้นมาใหม่ถ้าต้องการดับความทุกข์อย่างถาวรก็ต้องใช้ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาหรือวิปัสสนาขั้นปัญญาหรือวิปัสสนา this ก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับการถอนรากของยญ้า ถอนตน้นหญ้าถอนทั้งรากถอนทั้งต้นขึ้นมาจากดินพอรากพอหญ้าถูกถอนออกมาจากดินแล้วมันก็ตายมันก็จะไม่มีวันที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ทันใดพอจากสมาธิมาแล้วถ้าไม่อยากให้เกิดความทุกข์ก็ต้องถอนรากของความทุกข์รากของความทุกข์ก็คือความอยากถ้าเราหยุดความอยากได้ต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์เกิดขึ้น คำถามข้อต่อไปจากคุณกหนกสีนะครับพิจารณาร่างกายเป็นโครงกระดูกดูคนอื่นให้เป็นโครงกระดูกพอมาดูรูปหลวงตาเห็นหลวงตาเป็นโครงกระดูกภาพอยู่ติดใจพอละลึกถึงหลวงตาก็เห็นหน้าท่านเป็นหัวกระโหลกใจก็มาคิดว่ามันเป็นความจริงทุกคนเหมือนกันหมดมันเป็นความจริงไม่เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมเพราะเราก็เห็นทุกคนเป็นเหมือนกันหมด คือที่ให้เห็นนี้เพื่อให้เห็นเวลาตอนที่อยากจะไปนอนกับใครต่างหากเช่นเวลาเห็นนางงามเห็นโสเภณีหรือเห็นอะไรที่สวยทวยงามแล้วเกิดกามอารมอยากจะไปร่วมหลับนอนกับเขาตอนนั้นให้เห็นหัวกระโหลกเขามันจะได้หยุดความหยบดับอารมณ์ได้ไม่ใช่ว่าไปดูคนนู้นคนนี้ดูไปมันก็ไม่ได้ไปดับกามอารมเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีการอารมจะให้ดับ แต่ถ้าบอกว่าจะซ้อมก็ก็ซ้อมได้แต่การดูจริงๆต้องดูกับคนที่เรารักเราชอบเช่นดูสามีเราดูภรรยาของเราถ้าเราเห็นโครงกระดูกของเขาเราจะได้ไม่อยากจะไปนอนกับเขาถ้าเขาไม่หายใจแล้วเรายังอยากจะนอนกับเขาหรือเปล่าสมมติเขาตายไปวันนี้คืนนี้เรายังจะเก็บศพเขาไว้ในบ้านอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นเราเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้ว แต่ตอนที่มีลมหายใจกับมองไม่เห็นกันเราจึงต้องซ้อมดูอยู่เรื่อยๆให้ดูกับคนที่เรารักเราชอบเราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยไม่ใช่ไปดูกับคนนู้นคนนี้ไปดูกับลวงตาไปดูทำไมเราไม่เลยไบอยากจะไปนอนกับลวงตาซะหน่อยใช่ไหมนี่คือให้ดูการดูโครงกระดูกดูอสุภะนี่เพื่อดับความอารมณ์ดับความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ ก็ต้องดูคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนด้วยอยาจะซ้อมดูคนนู้นคนนี้ไปก่อนพังๆก็ได้ไม่ว่ากันเช่นเราเจอคนไหนก็ดูโครงกระดูกเขาไปแต่พอไปเจอคนเราลักเราชอบกลับมองไม่เห็นนี่ก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรคําถามข้อต่อไปจากคุณชมโชธิกานะครับหากคนที่มีจิตคิดไม่ดีกับเราก่อนอื่นเราควรให้อภัยเขา เพื่อที่จิตเราจะได้ปลดจากทุกข์ใช่ไหมแล้วจากนั้นเราควรครบค้าสมาคมกับเขาต่อหรือตัดเขาจากวงจรชีวิตก็แล้วแต่เราถ้ า, ายังต้องคบค้าสมาคมด้วยก็คบค้าสมาคมกันไปถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคบค้าสมาคมก็ไม่ต้องไม่คบก็ได้คบก็ได้ข้อสําคัญขอให้เราอย่าไปทุกข์กับเขาก็แล้วกัน คำถามข้อต่อไปจากคุณเบนนะครับการเห็นอสุภะในการร่างกายของตนเองตอนยังไม่สนใจเรื่องธรรมะสิ่งนี้เป็นผลจากการปฏิบัติในชาติก่อนๆเมื่อถึงเวลาทําให้ชีวิตในชาตินี้ต้องกลับมาปฏิบัติต่อหรือไม่หรือเกิดจากสัญญาที่เราจําชาติก่อนๆไม่ได้แต่เกิดจากความรู้สึกภายในจิตที่เกิดขึ้นเองเจ้าคะ และเมื่อเราฝึกภาวนาต่อไปเรื่อยๆนอกจากจะเห็นอาสุภะในตนเองและผู้อื่นแล้วแม้แต่สิ่งรอบๆเช่นรถยนต์บ้านเรือนต้นไม้ก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยทางเดินนี้ถูกต้องหรือยังและควรจะทำต่อไปเรื่อยๆหรือไม่บางคนคิดว่าเราบ้าไปแล้วเลยไม่อยากบอกกับใครอีก ได้แต่เห็นอยู่เงียบๆคนเดียวคือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเฉพาะของเรามันไม่เกี่ยวกับคนอื่นจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรจะไปพูดกับคนอื่นนอกจากว่าเขามีความสนใจในเรื่องเดียวกันและเขาต้องการคำปรึกษาจากเราเราก็พูดได้แต่ถ้าไม่มีเหตุมีผล เรื่องเหล่านี้เราไม่ควรที่จะไปพูดกับใครเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตนความรู้เหล่านี้มีไว้เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มันมีจุดจบเช่นเราเห็นร่างกายเราต่อไปจะต้องกลายเป็นซากศพไปแล้วถ้าเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้ามันก็จะอืดขึ้นอืดพองขึ้นมาเน่าผุป่วยไปน้ําเลือดน้ําหนองอะไรต่างๆก็จะไหลออกมา แล้วก็ถ้าปล่อยไว้ในป่าก็อาจจะมีแมลงสัตว์กัดต่อยมีนอนมีอะไรมากัดมาแทะมีสุนัขมากัดมาแทะนี่คือให้เราดูอนาคตของร่างกายของเราในสมัยนี้เขาไม่ได้เอาร่างกายเราไปทิ้งในป่าช้าเขาเอาไปใส่ในโรงแล้วเขาก็เอาเข้าไปในเตาเผาแล้วก็พิจารณาไปตามความจริงต่อไปร่างกายเรานี้ก็ต้องไปนอนในโรง แล้วก็เข้าไปในตเตาเผาเผาเสร็จก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกเขาก็เอามาห่อใส่ผ้าขาวแล้วก็เอาไปลอยอังคารหรือว่าเอาไปเก็บไว้ในผ้าอบเก็บไว้ในเจดีต่อไปแล้วแต่จะศรัทธาคือการให้มองภาพลบบนี้เพื่อเราจะได้ไม่หลงกับชีวิตเรามากจนเกินไปให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มีจุดจบเพื่อให้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ พอเวลาถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจพอถึงเวลานั้นมันจะทําให้เราทุกข์มากแต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะเฉยเฉยถ้าเรายัางทําใจเฉยเฉยไม่ได้แสดงว่าเรายัางไม่มีอุเบกขาพอเราก็ต้องพยายามฝึกอุเบกขากันให้มากๆวิธีฝึกอุเบกขาก็คือทํานั่งสมาธิให้มากๆวิธีที่จะนั่งให้มีสมาธิได้ก็ต้องมีสติคอยควบคุมความคิด อย่าให้ใจรับคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้ท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวเวลานั่งแล้วหลับตาท่องพุโทโธไปไม่ไปคิดอะไรใจก็จะเข้าสู่ความนิ่งความสงบความว่างแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วเวลาเราเห็นภาพของเราในอนาคตเห็นร่างกายของเราในอนาคตว่าจะต้องเข้าโรงจะต้องถูกไฟเผา จะต้องกลายเป็นที่เท่าไปเราก็จะเฉยๆได้เราก็จะไม่หวั่นไหวและไม่เดือดร้อนไม่กลัวความตายต่อไปคําถามข้อต่อไปนะครับการระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทํามาในอดีตบ่อยๆนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขกับบุญนั้นๆเมื่อไหร่ก็ได้บุญอีกถือว่าเป็นกิเลสความอยากได้บุญหรือไม่ครับมันเป็น เป็นเรื่องปกติที่เราจะคิด เ, เวลาเราไม่สบายใจถ้าเราคิดถึงความดีของเราที่เราทำไว้เราก็ดับความไม่สบายใจของเราได้มันก็เป็นเหมือนกั บ, ก, บการรักษาใจไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาร่างกายเราไม่สบายเราเอายามากินนี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นกิเลสหรือเปล่ามันเป็นการรักษาร่างร่างกาย เวลาใจเราไม่สบายแล้วเราคิดถึงความดีบุญที่เราทําไว้แล้วทําให้ใจเราสบายอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นธรรมเป็นการรักษาใจคําถามข้อต่อไปจะคุนหญิงเลวินะครับซึ่งเคยถามคําถามลักษณะนี้มาแล้วนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับคนที่ประกอบอาชีพไม่สุจริตไม่บริสุทธิ์และผิดกฎหมาย แต่มันทำบุญมากๆและสวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอเพราะคิดว่าบุญจะปกป้องจากบาปที่กระทำนั้นเสมือนเป็นการชดเชยกันข้อนี้เขาจะได้รับผลอย่างไรก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบุญกับบาปมันเป็นเหมือนม้าที่ดึงไปคนละทิศคนละทางบุญก็ดึงไปทางสวรรค์ม้าก็บาปก็ดึงไปทางอบายดึงไปทางนารกนั้นถ้าเราทาบุญมากกว่าบาป มันเราก็จะมีบุญดึงไปทางสวรรค์ถ้ามีบาปมากกว่าบุญมันก็จะดึงเราไปทางอบายทางที่ดีอย่าไปทำบาปดีกว่าจะได้ไม่ต้องดึงก็ได้ทำบุญนิดเดียวมันก็ดึงเราไปสวรรค์แล้วสมมติเราทำบาปสิบนี้เราต้องทำบุญสิบสองหรือมากกว่าสิบมันถึงจะดึงเราไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราไม่ทำบาปเลย บาปศูนย์เาทำบุญแค่บาทเดียวหนึ่งเดียวเราก็ไปสวรรค์ได้แนละ้วงั้นพระเจ้าถึงบอกให้ต้องทําทั้งสองอย่างให้ทําบุญแล้วก็ให้ละ บ, บาปมันจะได้ง่ายถ้าทําบุญด้วยทําบาปด้วยมันก็มันก็ต้องทํามากๆทําบาปมากเท่าไหร่ก็ต้องทําบุญมากกว่าบาปมันถึงจะดึงไปสวรรค์ได้ คำถามข้อต่อไปจะคุณปาลนนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าโดนเอาเปรียบและจัดการเรียกร้องความถูกต้องให้ตนเองแตก่ก็ก่อให้เกิดความโกรธเข้าไปอีกเป็นไฟเผาไห ม, ม้ตนเองอยากถามพระอาจารย์ว่าเราควรพิจารณาหรือวางใจยังไงให้จัดการได้ตามเหตุผลโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์ก็เราขาดความเมตตาคือแล้วให้อภัยเขามไม่ได้ ทำอะไรเราให้เราไม่พอใจเราก็โกรธเขาเราถ้าเรามีความเมตตาเราให้ภายได้เราก็จะไม่โกรธหรือเราจะคิดว่าเป็นกรรมของเราก็ได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องมาชดใช้กรรมในอดีตเราอาจจะเคยไปกั่นแกล้งเขาไปทำอะไรที่ทำให้เขาไม่พอใจพอเขามีโอกาสเขาก็กลับมาทำเราได้อย่างนั้นถ้าเรามีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ก็ให้คิดอย่างนี้ คิดคั้นแรกก็คือให้อาภัยของอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดคิดว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราไปคำถามข้อต่อไปจากคุณกอ๊อฟนะครับถ้าทำสมาธิเช่นพระพุทธรูปแสงสว่างหรือแม้กระทั่งอวัยวะเวลาที่เขาหายไปจากความจำเราต้องกำหนดใหม่ใหม่ครับและการ ทรงจำได้ละเอียดได้ปาณีชต์มีผลต่อสมาธิอย่างไรถ้าเราเพ่งอะไรเป็นอารมณ์ก็ให้เพ่งไปให้จนกว่าจิตจะสงบจิตเป็นโอเบขาแล้วมันก็จะหายไปเองถ้ายังไม่สงบยังไม่เป็นโอเบขายังมีความคิดปรุงแต่งยังจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ต้องเพ่งรูปนั้นต่อไปถ้ามันหายไปก็ต้องกําหนดมันขึ้นมาใหม่จนกว่า ความคิดปรุงแต่งต่างๆจะหายไปจะหยุดไปเหลือแต่ความว่างแล้วภาพนั้นมันก็จะหายไปเองอย่างนั้นก็ไม่ต้องกำหนดมันขึ้นมาใหม่คำถามข้อต่อไปนะครับวันนี้ผมสวดมนต์ได้สามบทก่อนนั่งสมาธิรู้สึกรู้สึกเหมือนเข้าพวังก็เลยนั่งสมาธิตอบไม่นานก็ปรากฏเรื่องราวเห็นภาพที่พาคนอื่นไปล้มรถ ภาพต่างๆก็ปรากฏมาผมก็ดูไปเรื่อยๆตามดูรู้สึกว่ามีความสุขน้อยๆสักระยะหนึ่งจากนั้นมันก็ผุดนึกขึ้นได้ว่าสมัยเป็นนิสิตเคยนั่งสมาธิจนตัวเองกระโดดได้จาได้ว่าตอนนั้นนั่งหลับตามไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นผมจาเรื่องราวนั้นได้เลยมีความอยากให้เป็นอย่างนั้น แต่ก็ใช้สติประคองไปเรื่อยๆได้สักพักหนึ่งปรากฏผมได้รับรู้อะไรบางอย่างแล้วตามเข้าไปดูโดยไม่ได้ประคองสมาธิรู้ลมสะดุ้งเลยครับคือการั่งสมาธิแบบนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิไม่ได้เป็นสมาธิที่ถูกต้อง<ม>เพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการที่จะเอาไปปฏิบัติทำขั้นต่อไป <c oughs> คือขั้นวิปัสสนา และอาจจะทำให้หลงได้หลงทางแล้วก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็คือการสร้างที่พึ่งทางใจการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องไม่มีอะไรให้เห็นต้องว่างต้องสงบต้องนิ่งเป็นอุเบกขาถ้ายังไม่ว่างไม่นิ่งไม่สงบเป็นอุเบกขาก็ต้องกําหนดอารมณ์ต่อไปภาวนาต่อไปเช่นเรากําหนดพุทโธก็พุทโธต่อไป เวลามีภาพปรากฏขึ้นมาอย่าตามรู้อย่าหยุดภาวนาภาวนาต่อไปอย่าไปสนใจกับภาพหรืออะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้เราต้องการเข้าไปสู่จุดของความนิ่งความสงบนิ่งก็คือไม่มีความคิดปรุงแต่งสงบก็คือว่างไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้มีแต่ความเย็นความสบายมีแต่อุเบกขานี่นี่แหละคือสมาธิที่ถูก เพาะสมาธิที่มีอุเบกขานี้จะทําให้เรามีกําลังที่จะไปใช้ในวิปัสสนาขั้นต่อไปวิปัสสนาก็คือสอนใจให้ละความอยากถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราจะไม่มีกําลังสู้ความอยากได้แต่ถ้าเรามีอุเบกขาเราจะหยุดความอยากได้อุเบกขานี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารของใจนั่นเองถ้าใจอิ่มแล้วมี คนมาชวนให้ไปกินอะไรอีกก็จะไม่อยากกินแต่ถ้าใจไม่อิ่มมีพอมีใครมาชวนให้ไปกินอะไรก็อยากจะกิน ท, ทันทีดังนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาก่อนเราต้องนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าสู่จุดว่างจุดสงบจุดนิ่งจุดที่เป็นอุเบกขาอย่าไปหลงกับสมาธิที่มีเรื่องราวต่างๆให้เรารับรู้ เพราะมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่ทำให้ใจเรามีอุบเบกขาเพราะออกจากสมาธิแบบนั้นมาเพราะเกิดตัณหาความอยากก็จะหยุดไม่ได้จะไปทำตามความอยากทันทีพระอาาร์ครับผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือเก่าหากตั้งแต่นั่งสมาธิมาไม่เคยเห็นนิมิตหรือภาพอะไรเลยเต็มที่ก็แค่แสงสว่างแต่ว่าระหว่างนั่งสมาธิมีจิตที่สงบ ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นจะสมาธิไม่ก้าวหน้าใช่ไหมครับเพราะไม่เห็นนิมิตก็บอกแล้วไงว่าพวกภาพต่างๆนี้มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิเราต้องการอุเบกขาคือความอิ่มใจความสุขใจความสบายใจความไม่หิวไม่อยากกับอะไรถ้าเรามีตัวนี้แล้วเวลาเราออกจากสมาธิมา เวลามีเราเห็นอะไรแล้ว เ, เกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะหยุดมันได้เช่นพอออกมาจากสมาธิเห็นตู้เย็นก็อยากจะไปเปิดดูแล้วก็บอกอย่าไปดูมันเลยดูไปทําไมดูแล้วเดี๋ยวก็ต้องกินกินแล้วก็ต้องกินอยู่เรื่อยๆอไม่กินก็ไม่ตายเอมันก็หยุดได้เพราะใจมันไม่หิวโหวยถ้ามันมีอุเบกขาแล้วมันจะเหมือนกับมันอิ่มอยู่แล้วกินได้รับประทานอาหารพอเพียงแล้วเอ คนที่ยังไม่ได้กินข้าวนี่พอเห็นข้าวนี่มันอดไม่ได้มันต้องกินแต่คนที่กินกินอิ่มแล้วเห็นข้าวรู้สึกยงไงก็เฉยเฉยกินก็ได้ไม่กินก็ได้นั่นแหละคืออุเบกขาคือเหมือนกับได้รับประทานอาหารใจแล้วอิ่มแล้วพอมีอะไรมีเพื่อนมาชวนให้ไปเกณฑ์ก็ไม่ไปไม่อยากจะไปอยู่บ้านดีกว่าอยู่เฉยเฉยดีกว่าสบายกว่า ต่อไปเป็นคําถามที่มีผู้ปฏิบัติฝากถามนะครับผู้มาใหม่ผู้ปฏิบัติทำใหม่มีความจําเป็นต้องยึดครูบาอาจารย์ไว้ไม่คัดอาจารย์และเมื่อไหร่ที่จะต้องปล่อยการยึดติดนั้นไปครับก็เวลาเวลาไปเรียนหนังสือต้องมีครูมีอาจารย์หรือเปล่าหรือไปเข้าห้องเรียนเฉยเฉยปล่อยให้นักเรียนเรียนกันเองเหรอมันก็ต้องมีครูมีอาจารย์วิชาทางธรรมยิ่งสูงกว่าวิชาทางโลก เราจะไปเรียนกันเองแล้วมันจะได้เรื่องเหรอดังนั้นมันต้องมีอาจารย์เนี่ยพุทธังธรรมังสังคังสละนงางกาฉามินี่แหละก็คืออาจารย์ของเราแล้วเราจะเลิกมีอาจารย์ได้เมื่อไหร่ก็เมื่อเราเรียนจบแล้วถ้าจบปัญญาแล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ไม่ต้องมีอาจารย์ถ้าได้มรสีพผลสี น, 4, นิพานหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องมีอาจารย์ก็ได้ก็ตอบก็พอจะเ ป, เป็นอาจารย์ได้แล้วเนี่ยพระ อาราหาันตัสสะกทั้งหลายพอท่านเป็นพระอาราหันต์แล้วท่านก็ไม่ต้องมีอาจารย์แล้วท่านกายเป็นอาจารย์ของท่านเองขึ้นมาแล้วท่านก็เป็นอาจารย์สั่งสอนคนอื่นต่อไปได้หมดแล้วใช่ไหมมีคนหนึ่งยังรอยังใจจดใจจจอ ย, อย ว, วันนี้จะได้ถามหรือเปล่าเนาะ <c oughs> จากจากการปฏิบัติพระอาจารย์ถ้าเรากําลังสังเกตเห็นว่าจิตเรากําลังจะกําลังสลดอยู่อย่างเงี้ยเราต้องทํำยังไงต่อครับสลดแบบไหนเลยคือมันมีความรู้สึกมันตกจากที่สูงค่อยๆลอยลงมาถ้ามันสลดโถโทมีความทุกข์ใจก็ต้องหยุดมันถ้ามันสลดโถโทแบบว่ามันตรงนี้ก็มันสบายก็ไม่ต้องหยุดมันบางคนเห็นว่ามัน มันสลดแต่มันสลดแบบมันปลงแบบว่าชีวิต น, นี้มันก็แค่นี้แหละไปอะไรกับมันมามากมายทำไมไปทุกข์กับเรื่องอะไรต่างๆทำไมถ้าสลดแบบนี้มันก็ดีแต่ถ้าสลดแบบว่าโอ้ยไม่ทุกข์เหลือเกิน อ, อย่างนี้ก็ต้องหยุดมันดีท่านนี้ใช่ไหมโอเคอเอาแล้วนะเนี้นก็เวลาก็พอสมควร ธอขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจะเดินก้าวหน้าในรางยิ่งขึ้นไปเธอ